เราทสู่กันฟังถ้าไดยินได้ฟังเอาไว้ถ้าได้ยินได้ฟังในท่านเรียกว่าพระหูสูตรเป็นมงคลกับเราเราก็ได้ฟังในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําเราก็ได้ยินให้มันเป็นส่วนประกอบถ้าสิ่งที่เราได้ฟังเราไม่ได้มีการกระทำก็อา จ, จะยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าฟังไปไปบ่อยก็อาจจะเข้าใจแต่เสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่เราได้ทําในมันก็คล่องจองและเหมาะสมสะดวกในการกระทําสะดวกในนํามาปฏิบัติได้สัมผัสกับคําพูดคําพูดสิ่งที่เราได้ยินน่ะเป็นการที่สัมผัสได้โดยเฉพาะการสอนการพูดเรื่องกรรมฐาน ใช่สอนให้คิดสอนให้ทําสอนให้สัมผัสไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลสัมผัสเอาเอ า, เอากายไปต่อกับความรู้สึกตัวเอาจิตไปต่อกับความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องกับกายกับใจท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นให้ชํชนานิชํานาญเหมือนเราเดินทางของเรา คนขับรถเดินทางของเราเป็นทางของผู้เดินทางเราก็คล่องตัวํำนวณเวล่ำเวลาได้ตรงไหนชาตรงไหนไวแต่ไม่เคยทางเขาต้องระมัดระวังอาจจะผิดพลาดได้การที่เอาสติมาเจียวข้องกับกายกับใจนะการเอากายเอาใจไปเจียวข้องกับสตินี่เรียกว่ากรรมฐาน ให้ทำตรงเน่ให้ทำตรงเน้อย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปวางไว้ที่อื่นตัดที่อื่นไปก่อนเหตุผลความชอบไม่ชอบตัดไปก่อนวิธีใดที่จะรู้สึกตัววิธีใดที่จะรู้สึกตัวทำแบบสนุกสนานดังความรู้สึกตัวอยู่กับกายเนละยถ้าทำดีๆแล้วมันสนุกสนานมันเพลิดเพลิน เพราะมันเป็นของกิ ches, ่งผมรูส้ส <ba> ึกตัวก็ไม่จริงกายก็ไม่จริงกายก็เป็นของที่เราใช้อยู่ผมรู้สึกตัวอยู่ที่จิตที่มันคิดมันนึกเราก็ไม่จริงจิตก็ไม่จริงความรู้สึกตัวก็ไม่จริงเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่เราอาศัยอยู่เรารู้สึกตัวอยู่ที่กายก็อาศัยกายได้ถ้ารู้สึกตัวอยู่ที่จิตก็อาศัยจิตได้จิตก็ถูกฝึกหัดกายก็ถูกฝึกหัด เราประคดที่กายที่คิดเราเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลเราความชั่วทำความดีมันก็อยู่ตรงนี้จนเห็นแจ้งลู่จริงตามความเป็นจริงตามความเป็นเท็จอย่างไรอย่งที่พูดเมื่อวานเน่ตอนเย็นเห็นเป็นรูปมารำเห็นเป็นนามธรรำ ถ้าได้เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันก็ได้หลักฐานพอได้หลักฐานความเท็จความจริงมันก็จะปรากฏความจริงก็ปรากฏความไม่จริงก็ทนอยู่ไม่ได้พ็เกิดขบวนการยุติธรรมกับชีวิตของตนขึ้นมาอะไรที่มันเป็นความเท็จมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่จริงความหลงมันไม่จริง ความทุกข์ไม่จริงความโกรธความวิตกกัง ว, วลอะไรต่างๆมันไม่จริงแล้วก็สัมผัส ด, ดูมันเป็นเทียนนั้นก็ได้หลักใต้ฐานเห็นรูปเห็นนามเห็นไตรักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเสียงไหนไม่เที่ยงก็มอบให้เสิยงไม่เที่ยงมันไปเสียงไหนเป็นทุกข์ก็กมอบให้เสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไป ในความไม่เที่ยงความความเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวมันก็ไม่ใช่ตนแต่ ว, ว่าบกหรือบขาดลงไปเคยยึดมันถือมันมันก็บกหรือเหือแห้งไปไม่เปียกไม่ชุม่มเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์นั้นแต่ก่อนเราเคยยึดเราเคยถือ วั น, นพอเห็นมันว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็ปัดกวาดไปเองพอไม่เชื่อใช่ตัวไม่ใช่ตนปัดกวาดออกถ่ายเทออกแล้วก็เหือดแห้งไปแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีอยู่กับรูปกับนามที่มันเป็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามมากมายเป็นสมมุติก็มีเป็นบัญญัติก็มีเป็นอุปทานก็มี สิ่งเหล่านี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนำตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางและที่สุดไม่ได้ทิ้งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็กลายเป็นศินกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาศิลก็กำจัดกิเลสสมาธิก็กำจัดกิเลสปัญญาก็กำจัดกิเลส กำจัดกิเลสอย่างหยาบจํากัดกิเลสอย่างละเอียดไปเรื่อยๆไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงตั้งแต่เป็นอนุใสอนุใสคือเนือห น, นองนอนเนืองอยู่ในชีวิตจิตใจของเราจะหลุดนิสัยอาจจะิตโทสะจริล โ, โมหะจริลุมันก็หดหายหรือหลุด ออกไปหลุดพ้นออกไปเพราะมันเห็นของจริงมันได้หลักมันได้ฐานมันเป็นรูปมันเป็นนามมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นอยู่ในรูปอยู่ในนามนี้ถูกฟ้องถูกพิภาคษาทุลาการสร้างขรบวนยุติธรรมขึ้นมาให้แก่กายให้แก่จิตใจ เมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในกายในใจแล้วความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นอีกหลายหลาอย่างเป็นภายนอกวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆก็กลายเป็นความเป็นธรรมเกิดความรักความเมตตาคนที่เคยเป็นศัตรูคู่อิลิก็กลายเป็นความเมตตากรุณาได้เอ้อิจฉาไปบาทก็กลายเป็นความเมตตากรุณาเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรา ชีวิตก็เลยใช่ได้ก็ชีวิตก็เลยเพึ่งได้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่แต่เปะตะปะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสุขสนเอาเป็นหลงออกหน้าออกตาเอาเป็นชอบเอาเป็นไม่ชอบออกหน้าออกตาเอาเป็นสุขก็ เ, เป็นทุกข์ออกหน้าออกตาไปไกลเรื่องเดียวไปไกล ตาเห็นโลกกไปไกลหูได้ยินเสียงก็ไปไกลแล่นไปประเด็นมันก็จบเฉพาะตาเห็นโล ก, กสะพาเห็นหูได้ยินเสียงสว่าได้ยินฟังรู้เรื่องรู้ราวเขาเน้นทธอเรู้เขาสรรเสริญก็ารู้การที่เน้นทธสรรเสริญมันเป็นสมมติบัญญตัติเกิดจากบัญญัติเอามาใช้เอามาดา่าเอามายกย่องกันมันเป็นสมมุติสมมติในต่างกาันไม่เหมือนกัน ถ้าปรามัดเหมือนกันเกิดกับอะไรก็ได้สมมุติเขาจะบัญญัติว่าอันนั้นวัตถุว่วชอบว่าไม่ชอบของอย่างเดียวว่าชอบว่าไม่ชอบมันเป็นต่างกันต่างกันไปเรียกว่าสมมุติเราก็เห็นสมมุติในเราเห็นสมมุตินอกเกี่ยวกับตัวเราเกิดกับเขาคนอื่นก็ได้ เห็นความหลงที่เกิดกับเราเห็นความหลงที่เกิดกับคนอื่นเห็นความโกรธที่เกิดจากเราเห็นความโกรธที่จะเกิดจากคนอื่นมันก็เหมือนเหมือนกันน่าเห็นใจคนที่หลงน่าเห็นใจคนที่โกรธน่าเห็นใจคนที่ทุกข์วิธีใดที่เราจะช่วยเขาก็คิดแต่ช่วยเท่านั้นไม่ได้คิดอิจฉาเบียดเบียนกันแต่ก่อนนี้เมื่อเขาโกรธเราก็โกรธตอบพอเขาหลงเราก็หลงไปด้วย ความหลงก็ติดกันอยู่กับเราก็มีสม่ไหมก่อนความหลงสร้างความหลงความโกรธสร้างความโกรธความทุกข์สร้างความทุกข์พอเรามาได้ขบวนแห่งการยุติธรรมขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นมาเปลี่ยนไล่เป็นดีนิชีวิต ท, ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาวิวัฒน์พัฒนาวัฒนะดีขึ้นอายนะเสื่อมลงก็ไปในทางวัฒน์ปฏิบัติฟังดูก็ได้ปฏิบัติคือเปลี่ยนร่ายเป็นดนีหรือภาวนาภาวนาก็คือขยันรู้ภาวนาก็คือเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เริ่มต้นเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สร้างความรู้เรื่อยไป เริ่มต้นของวัฒนะ์ก็ไปแบบนี้ปฏิบัติก็ไปแบบนี้เราจะไม่ทำตรงนี้ได้ยังไงเพราะชีวิตเรามันก็ถ้อยจะว่าแล้วมันไม่อันตรายมันเป็นวัตถุแห่งกรรมมงคณตาหูจมูกเลี่ยนกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเป็นเป็นปากทางแห่งความหลง ถ้ามันหลงก็เสียเวลาไปไหนไม่ได้ความหลงก็หลงจนตายความโกรธก็โ ก, กรธจนตายความทุกข์ก็ทุกข์จนตายเสียเว ล, เวลาเราจึงพากันมาปฏิบัติเดินตามรอยพระพุทธเจ้าทําหลายๆอย่างนอกจากเราปฏิบัติจะเริยนสติสร้างสติ การสร้างสติกเอาหลายๆอย่างที่มันจะรู้สึกตัวเอากายเอากิตมาเป็นวัดสดุอุปกรณ์ผลิตขึ้นมารูปแบบเราก็ทำอยู่แล้วทำให้กันเห็นทำอย่างเดียวกันนอกจากนั้นเราก็หาหามาใช้เวลาใดๆที่มันจนความรู้สึกตัวก็หามาหามาใช้ ได้หลายอย่างกายใจอาจจะแตกต่างกันไปเทคนิครูปแบบต่างๆ ต, ตัวหลงเป็นตัวลูกตัวลูกก็ประกอบกับอะไรที่มันกระ่วยกระจายให้มันเต็มไปในพื้นที่ของกายของใจบานทีเราก็สวดมนต์บ๊วยพระสวดสาธยาย ความเป็นอยู่เราก็หัดฝึกหัดอยู่ในเต้นอยู่ในเสนาสนะหรือรูปเดียวบางทีก็เล่นกับความกลัวชำนิชำนาญในความกลัวรู้จักความกลัวชัดเจนรความกลัวามาเกิดจากอะไรมาเกิดจากความหลงเกิดจากความชิดก็อยู่ในกำมือเรา ความกลัวไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงตอนเรารู้สึกตัวในขณะที่มันกลัวเวลาใดที่มันกลัวลองเดินจงกรมลองยกมือส้างจังหวะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวบางทีมันก็หายปานปิดทิ่งได้เวลามันกลัวลุกขึ้นเดินจงกรมในความมืดลงลงมันเป็นความสงา่าราศีมันเป็นความยิ่งใหญ่ ในขณะนั้นก็ได้ความกลัวมันเหมือนกับด้อยๆความรู้สึกตัวของเราที่ลุกสร้างความรู้สึกตัวมันยิ่งใหญ่เหมือนนกอินทรีความกลัวเหมือนตักเตนความกลัวเหมือนหมาความรู้สึกตัวเหมือนช้างช้างหมามันเห่าช้างเรารู้สึกตัวจังเก่งไม่เคยเห็นช้างมันวันไหวเวลาหมามันเห่า ความรู้สึกตัวที่เราปร ะ, ประกอบลบความเพียรหนังยกมือสร้างจังหวะเพราะเราเคยทําแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวเล่นกับความกลัวมันก็มันก็ไม่ต้องกลัวความกลัวเหมือนคนชาเนยชนานาญในการเล่นกับงูมันก็ไม่กลัวงูอะไรก็ตามที่มันผ่านหน้าผ่านตามันเห็นอยู่บ่อยๆแล้วมันก็เห็นอยู่เรื่อย เห็นความหลงมันก็ต้องชนะความหลงถ้าไม่เห็นมันไม่ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความหลงความทุกข์ทีเละตันหาต่างๆมันโชว์ออกมาให้เราเห็นถ้ามีสติดูกายมันเป็นการเปิดตัวถ้าไปสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นการเปิดตัวถ้าเป็นแบบสมถกรรมาฐาน บ, าบังคับหลับตาบริกรรมเพราะนั่นไม่เปิดตัว ไม่เปิดตัวครับครับแคบแค บ, บสงบไปเลยเออกแก่ความสงบแล้วก็เหมือนเดิมไม่เห็นอะไรไม่เห็นความหลงไม่เห็นความคิดไม่เห็นความกลัวไม่เห็นอะไรทั้งหมดบังคับให้เกิดความสงบง่ายแบบนั้นมันก็ง่ายแต่ว่ามันครับแค บ, บไม่แตกฉานการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานมันเห็นกาย เรื่องของกายมันเห็นเวทนามันเห็นความคิดมันเห็นธรรมจุดที่หลง ใ, ใหญ่ๆมันเห็นหมดถ้าไม่หลงในกายไม่หลงในเวทนาไม่หลงในจิตใจที่มันคิดไม่หลงในธรรมที่เป็นบาปอกุศลหรือกุศลทั้งหลายเหมือนที่เราสวดยังกุศลเทียงไม่เกิดให้เกิดขึ้น ล้บาปเพียงไม่เกิดขึ้นไม่ให้มีบาปมันก็ต้องเห็นมันก็ต้องเห็นมันเห็นมันเคยทํากับเสียงเราด้านแล้วมันก็เป็นความชำเนตชานาญเป็นกีฬาเป็นศิลปะผมรู้สึกตัวที่เราสร้างเน่ยมันเป็นศิลปะมันใช้ได้มันขยันตรงที่มันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เนี่ยมันถึงอกถึงใจอยากให้มันหลง หลงไปในความคิดก็ยิ่งดีจะได้ทำทั้งสองอย่างจะเอากายไปสร้างให้เกิดความรู้สึกตัวไปช่วยจิตจะเอาจิตไปช่วยกายมันก็มีเท่านี้ชีวิตเรามีกายมีจิตมีสติเป็นขบวนสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ตามก็มีเท่านี้หลงไปที่จิตเอากายสร้างความรู้สึกตัว ผมรู้สึกตัวความหลงตัวมก็เป็นตัวกิจแล้วมันไปไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวมันก็เป็นทั้งหมดแล้วคือชีวิตแล้วถ้าหลมก็คือทั้งหมดแล้วคือความหลงในชีวิตทั้งหมดแล้วมันไม่เหลือวิสัยโดยพวกวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่อยู่ในวงเล็บของชีวิตเข้าไปเลยวงเล็บปิดวงเล็บเปิดโบราณท่านว่ารักยาวให้บนรักสั้นให้ต่อ ลักสั้นให้ต่อต่อความรู้สึกตัวความหลงก็สั้นลงลักยาวให้บัน๋นความยาวของความรู้สึกตัวมันก็ตัดความหลงออกไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวก็ยาวออกไปเรื่อยๆมันก็เป็นวงเล็บปิดวงเล็บเปิดมันสโฉบยอ่ยอย่อที่สุดการเจริญสตินะแปดมินเิเซมอย่างเอามาอยู่กับป่ามือของเรา หรือกำมือของเรามันก็มีเท่านี้อยู่ในกรำมือของเรากายมันก็มีวัตถุ Syndrome, อาการเยอะแยะใจมันก็มีมเยอะแยะเอามาอยู่ในภาวะความรู้สึกตัวยิ่งไปเห็นรูปทำเห็นนามมาทำเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามเห็นโลกที่มันเกิดขึ้นกับรูป เ, เ, เห็นโลกที่มันเกิดขึ้นกับนาม มันก็ต้องเห็นล่ะพอรู้สึกตัวมันก็เห็นเห็นวัตถุเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามบางอย่างยังไม่ได้ทำอะไรมันหลุดไปแล้วยังไม่ได้ไปทำอะไรเช่นความโง่หลงง่หายเนี่ยความเชื่อที่มันเชื่อลืกเชื่อ เข็ดอะไรต่างๆมันหลุดไปเลยมันหลุดไปเลยยังไม่ได้ทำเลยมันจะหลวกไปเลยเหมือนอยาเล็กๆน้อยๆเวลาเราเหยียบไปมันก็เป็นทางไปเลยไม่ต้องไปได้ายไม่ต้องไปถากไม่ต้องไปอดไปทนเพราะความหลงเราเป็นคู่กับความรู้สึกตัวเราปรับตรงนี้ได้แล้ว ถ้เราปรับความหลงเป็นครารู้ส่วนตัวมันก็มันก็แย้หลายๆอย่างก็แจ้หลายๆอย่างอยู่แล้วพอเปิดตรงนี้ได้มันก็เปิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเทเจ้าข้องติดตายแม้มันหลงเอกก็กลับมารู้สึกตัวเองไปได้ชีวิตีเปิดตัวชีวิตที่เปิดเผย เนี่เราก็เห็นอยู่กับตานี่แหละความหลงคพามันหลงก็ลรู้สึกตัวมันก็เท่านั้นเองแต่มันไม่หลงก็ลรู้สึกตัวเรื่อยไปเื่อยไปถ้ามันเกิดเห็นขึ้นมาเห็นรูกเห็นาน้มก็เห็นแล้วก็ได้หลักได้ฐานได้หลักได้ฐานได้ทิศได้ทางเห็นรูกทุกเห็นน้ำทุกโูกโลกน้ำโลกโลกของรูกโลกของนาม โลกของลูกมีหลายอย่างร้อนหนาวหิวปวดเมื่อยอะไรหลายๆอย่างเป็นโลกของลูกมันเป็นธรรมชาติโลกของนามคือความหลงความโกรธความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าหมองความรักความชังเป็นโลกของนามโลกแบบนี้รักษาได้โดยมีความรู้สึกมีความระลึกได้โลกของโลกที่เป็นโลกกเพาะโลกตับโลกใตโลก ไข้หวัดไข่นอกอะไรนั่นต้องอาศัยหมอาต้องช่วยตัวเองในโกูกในโลกแบบที่เรากําหนดรูปตัว ก, กันรูปกําหนดรูปด้วยกันบรรเทากาําหนดรูปด้วยกันละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์รูปทุกข์นามทุกข์ทุกข์บางอย่างกําหนดหรูป อ, อาคันตุกาทุกข์ทุกข์บรรเทาปวดหนักปวดเปา เป็นข้าวเหนียวข้าวตรงบันเทาไม่ต้องไปทุกข์ใจเกี่ยวข้องกับทุกข์ถูกต้องทุกข์บางอย่างต้องละละความทุกข์จะเป็นสมุทยัยความทุกข์จะเป็นสังขารการปรุงรงแต่งแต่งบันเทาไม่ได้ต้องละแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนถ้าโกรธได้ด่าเขาก็หายโกรธ เค่าเขาก็หายโกรธตอนนั้นไม่ถูกต้องทุกสมุทัยทุกสังขารต้องละต้องละการละทุกสมุทัยทุกสังขารเน่ง่ายไม่มีวัตถุที่หนึ่งที่สองเปลี่ยนเลยตรงกันข้ามพอดีมือหลังมือมันหลงเปลี่ยนมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกทันทีไม่เหมือนกับทุกอาการตุกตาทุกสภาพวัตถุ อาการตุกะทุ ก, ทกถ้าถ้าปวดหนักก็ต้องไปถ่ายตื่นขึ้นที่หลับที่นอนต้องเดินไปห้องน้ำต้องอาศัยรูปเดินไปต้องอาศัยไฟฉายต้องอาศัยที่ถ่ายที่เบาอะไรต่างๆในน้ำไม่ขันมีอะไรเยอะแยะมีห้องน้ำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นเป็นอาการตุกะทุกเฮ้ค่าก็ต้องไปกินข้าวในข้าวก็มีภาชนะมีช้อนมี กลไม่โอ้ยเจ้าจะต้องเขี่ยวต้องขบต้องเมตตาต้องเมืมือต้องเมตธาทีการกินอนนั้นยากหลาอย่างแต่ว่าทุกสมุทัยเนี่มันง่ายที่สุดแต่บางคนถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่เห็นมีสติจะถือว่ายากทําใจได้ยากของง่ายๆก็ว่าไปบ้ามันยากมันเป็นการที่ง่ายเป็นการสนุกก็ตื่นรืล่น สิ่งทุกที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเป็นทุกสมุทัยทุกสังขารทุกอริยสัจสี่เนี่ยง่ายนิดเดียวทุกอริยสัตว์4เพราะเราเห็นเราเห็นตั้งแต่เห็นลูกเห็นน้ำก็เห็นทุกมันก็เลยง่ายเหมือนกับมีเครื่องมือหนักไปยกสิ่งยกของที่มันหนักให้มันเบาให้มันง่าย พอเรารู้สึกตัวเห็นลูกเห็นนามของเธอมันยากก็เลยง่ายไปเลยเพรกรรมฐ า, านมันมันลาดตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนทางขึ้นเขาเขาต้องทําให้มันลาดมันทางขึ้นเขามาสุขโตเน่ะต้องลาดไม่ใช่หน้าผาไม่ใช่หกักตาผ้าด้วยเข่าเราลาดอาไว้แล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราลาดอาไว้แล้ว ตรงที่มันเป็นหน้าผาคนลาดไปแล้วรู้สึกตัวนั่นรู้สึกตัวที่หนึ่งเหมือนทําให้หน้าผามันลาดลงรู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนบุกเบิกเหมือนการบุกเบิกหรือพวกเราปลูกป่าเป็นป่าพงป่าหญ้าขาบุกเบิกเคยเปรียบเทียบสติเหมือนกับใบเม็ดของรถแท็กเตอร์ผ่านไปตรงไหน มาเกลี่ยหรือสติเหมือนไม่กวาดผ่านไปตรงไหนมันเหมือนก็จะสะอาดก็เลยลาดเราไว้ง่ายแต่ก่อนไม่รู้มันชันพอหลงจะรู้สึกตัวน่ยมันก็ยากเสีแล้วพอโกรธจะรู้สึกตัวมันก็ยากสีแล้วเพราอมันชันอยู่อันนี้เรามาสร้างมาสร้างไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วสี่วันแล้ว ถึงเกตวันแล้วเนะ่เอาถ้าได้เกตวันแล้วเนะี่ยเอาละมาเนะี่ต่างกันแย่เลยความหลงกับความรู้นะสัมผัสดูแล้วความหลงกับความรู้นะไม่มีใครไปเอาความหลงพอได้รู้ถึงเกตวันแล้วเลือกเป็นแล้วมาเนี่เลือกเป็นแล้ ว, ะนะลลวถ้าเป็นทางก็เห็นทางได้ง่ายพอเดินอยู่หลายวันลอยเท่าเหมือนกับเราเดินไปกติของเราํำนาญแล้วจาก หัว oh, ตายไปกติจากกติไปสรารนาไปฉันชํานาญแล้วพอมันทางของเราแล้วชีวิตของเราต้องสร้างทางเดินในกายในจิตเห็นเวทนาก็ชํานาญในเวทนาเห็นกายก็ชํานาญในกายเห็นจิตก็ชํานาญในจิตไม่หลงอยู่ตรงเวทนาไม่หลงอยู่ตรงจิตไม่หลงอยู่ตรงธรรมสะดวกละบันภาษาไลาความหลงความทุกข์ามาก็ง่ายไปเลย มันเป็นขั้นตอนนี้สติปัฏฐานนสูตรเนี่ยฉลาดจริงๆพระพุทธเจา้มามยุคนี่หลวงพ่อเทียนมาสอนพวกเราเห้ฉลาดให้เห็นรูปเห็นน้ำเห็นทุกเห็นไตลักษณ์เห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นวัดเห็นปริมติเห็นวัตถุอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับน้ำ เป็นเทศเป็นเทศเป็นจริงอย่างไรความเป็นเทจก็ทนไม่ได้ความเป็นจริงก็ไปได้ความหลงเป็นของไม่จริงความรู้สึกตัวเป็นของจริงความรู้สึกตัวต้องผ่านความหลงความทุกข์ไม่จริงความรู้สึกตัวต้องผ่านความทุกข์ความโกรธไม่จริงความรู้สึกตัวต้องผ่านความโกรธเอาความโกรธไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเอาความหลงไว้หลังมันจึง เรียกว่าวิปัสนาร่วงพ้นภาวะเก่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆรินไปบัติธรรมมันสะอาดหรือว่าพรหมจรรย์มันสะอาดกว่าเก่าตอนที่จะเป็นพรหมจรรย์เนี่ยภาวะที่ดูเนี่ยแหละประพฤติพรหมจรรย์ภาวะที่ดูนะเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกขนะ์ในพรหมจรรย์ก็เลยเอาศัยคําพูดเนะี่ยบอก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังเห็นไหมเวลามันล้อนーーเห็นมันล้อนไม่ใช่เป็นผู้ร้อนเลยกำลังจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วเวลามันปวดมันเมื่อยเห็นมันปวดมันเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเป็นเห็นมันปวดมันเมื่อยหรอพรหมจรรย์แล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้ว เริ่มต้นเป็นผู้มาจารย์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสัจธรรมเกิดจากสัตจธรรมตรงนี้พระสงฆ์เกิดจากพระสัจธรรมไม่การปฏิบัติดีเป็นต้นพระสงฆ์ที่เป็นคุณภาพเป็นคุณธรรมที่เป็นปรมัตญาเกิดขึ้นตรงนี้พระสงฆ์ที่เป็นสมมติเกิดขึ้นจากการสวดยติเมอุปชาเมกรรมวาจา อยู่ในสีมาสมมุติสีมาพัทธสีมาอุทกเข็บสีมาแต่ว่าอุทกเข็บสีมาเนี่ยบางทีก็ถ้ามันจําเป็นชายแดนประเทศอื่นอ๋อพัทธสีมาได้ายาก็สวดอุสมบทกรรมได้แค่นอุทกเข็บสีมาจะวัดเราสลาน้ำเป็นอุทกเข็บสีมา แต่ว่านี่มันเป็นจังหวัดกลางก็เลยสมมติปวดหม่ได้อ น, นันพสงเกิดจากสมมติปัญญาถ้าพสงเกิดจากปรมัาสั จ, จคือเกิดจากพระสัทธรรมมีการปฏิบัติดีมีการประพฤติผกจันท์นี่แต่เห็นไม่เข้าไปเป็นกับอะไรไม่เปิดไม่เพื่อนกับอะไรหลายวันแล้วกิจสะอาดกิจบริสุทธิ์ เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นความโลนความเนาเห็นความเบื่อเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นบริสุทธิ์ตรงที่มันไม่เปิดไม่เปื้อนแทนที่จะเปิดเปื้อนมันไม่เปิดไม่เปื่อนนั่นแหะคุณภาพมันไม่เปิดไม่เปื้อนง่ายหรอคุณภาพเสียงของมันไม่สซดไม่โสมง่ายหรอกคุณภาพมันใช้งานใช้การได้เรียกว่าสมรรถนะ มันเข้มแข็งไม่ทุพพลภาพทางกิจวิญญาณมันสร้างเสริมขึ้นมาความทุกเห็นมันทุกขเนี่ยสร้างแล้วในคุณภาพแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธสร้างขึ้นแล้วความโกรธไม่เพิ่ไม่เพื่นกับผู้เห็นผู้พบเห็นแล้ก็ผ่านไปผ่านไปประพฤติภมจรรย์พร้อมทั้งอัถารมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริวณ์สิ้นเชิง สิ้นเชิงไม่มีตรงไหนที่จะสิ้นเชิงเท่ากับเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนารอยตัวปฏิบัติก็ฟังเอาไว้ไปทาดูทำให้มันเป็นทำให้เป็นไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้เอาไปทำแล้วทำให้มันเป็นทำเป็นอย่างไรเวลามันหลง เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้โอ้ความหลงหมดไปแล้วทําเป็นแล้วทําตรงนี้เป็นแล้วมันหลงที่ไดรเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้โอ้ทาเป็นแล้วทําเป็นแล้วเนี่ยทาให้มันเป็นใครเป็นคนทําเราต้องทำเอาเองเวลามันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์รู้สึกตัวโอ้รู้สึกตัวร oh, ู้สึกตัวความทุกข์หมดไปแล้วมันเกิดขึ้นอีกก็ทําอีกทําเป็นอีกทําให้เป็นการทําให้เป็นเราต้องสอนตัวเรา การสอนให้ลูกในการสอนเยอะแะหมดเลยใครก็สอนได้แต่การสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้เราต้องทําเอาเองในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเหมือนกับลงสนามนักเข้าสู่สนามลบทรูดหลบรูดหลีกลูดหลบเป็นปีกรูดหลีกเป็นหางบางอย่างก็หลบมันมาสูงก็หมอบลงมันมาต่ําก็โหลดขึ้นอย่าให้มันถูก คนที่เข้าสู่สนามลบไม่ใช่มีใครบอกไปบอกกันไม่ได้ก็ต้องฝึกเอาเองลบไปเอาเองเรื่องลบไปเอาเองลบไปเอาเองอาวิธีที่จะปลอดภัยไปเอเองการเจริญสติมันก็หลงสนามลบความหลงสนามลบความทุกข์ความเมื่ยต่างๆก็ใหแข็งแกร่งสักหน่อยนะ อย่าไปอ่อนแอต่ อ, อแต่ต อ, อนแอสร้างความเฉื่อยเฉลีงคิดเราไม่ครูบาอาจารย์เราไม่ประพูดธระถ ม, มีพระรัตนาไต่เรามีวัดปฏิบัติเรามีพระใจปิดกเราสาธยายทำตอนเช้าตอนเย็นเรามีเพื่อนไม่มิตรอา้าวไปประกดอยู่ป่าไผ่ก็ไม่เพื่อนไม่มิตรมีกันยาณมิตรเป็นตัวเป็นตนจริงๆรุ่นใจจริงๆ ออมาทำว่าสวดมนต์ก็มีพระไตรปิฎกที่เป็นหลักฐานช่วยเราช่วยเราเราสาธยายทำเป็นคำพูดเอ้ามันก็สอนเราโอ้ยหลายอย่างที่ช่วยเราอาไม่เปรียบเดียวเดีย ว, ดยวได้โอนใจพวกเราไม่ใช่หนึ่งสองเท่านั้นเป็นเสเป็นยี่ทั้งอุบาสกทั้งบาสิกา ทำอาหารให้เราครบเราฉันสะดวกหลายอย่างถ้าโยมมาจากที่ใกล่ที่ไกลนำอะไรมาช่วยเราโยชัไปเลยปัจจัยสี่เครื่องนึ่งเคองหมที่อยู่อาศัยอาหารเินทบาทยารักษาโรคม่หมอมานอนเ้าอยู่กับเราด้วยม่นอยแพทย์มีพยาบาลเป็นนักบวชก็ไม่ใป็นทหารมีตำรวจก็ไม่ไม่ใช่เราโ ง, ง่ง ไม่ใช่เราปาเถื่อนอะไรก็เห็นกันอยู่ตรงโต๊ะำพูดคำบอกคำสอนเราก็ให้พิสูจน์เห็นอยู่้าเป็นการหลอกก็จะต้องให้เห็นว่าเราหลอก้าเห็นการไม่หลอกก็ให้เห็นว่าเราไม่ได้หลอกใครเราก็ไม่ได้กระซึบกระซาบสอนโน่นสอนนี่เหมือนลูกศิษย์อาจารย์ทิศาปะโมด ลูกศิษย์หลอกให้อาจารย์โกรธองคุเรมนันท้อองคุเรมานเป็นคนดีแข็งแกร่งเรียนเก่งลูกศิษย์รุ่นลาวคราวเดียวกันโกรธเพราะว่าดีกว่าเขาเขาก็พยายามที่จะไปพูดกับอาจารย์ให้อาจารย์ขับไล่เขาหนีกล่าวว่าองคุเรมารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อาจารย์ก็ไม่เชื่อเป่าหูไปเป่าหูมาเพราะว่าองค์พรทมานจะฆ่าอาจารย์นะ่ะเขาวางแผนแล้ ว, วอาจารย์ไม่ฆ่าเขาเสียเลยอาจารย์จะตายนะอาจารย์หูเบาเชื่อลูกศิษย์อีกพวกหนึง่งก็เลยเออถ้าจะฆ่านะมันก็ไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์มันไม่ได้ต้องหาวิธีอื่นนะ เลยไปบอกองเคมานองคเคมานยังมีคาถายังมีศาสตร์ตนน่งที่ยังบอกไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเธอต้องไปหาเนี่ยมือมาหนึ่งพันินวจึงจะเรียนศาสตร์ตันนี้จบได้เธอเรียนเก่งแล้วาศาสตร์อะไรๆก็จบหมดแล้วแต่เธอเรียนศาสตร์นี่จะต้องไปเอาเนิวมือของคนมาคนละเนี่ยละเนี่ยมา ให้ได้พันเ น, นี้ยพันข้อเธอยังจะเรียนศาสตร์ได้ก็หมายความว่าถ้าองค์ุริมานไปฆ่าคนก็จะต้องถูกคนฆ่าถึงหนึ่งพันคนติดสองสามคนก็ถูกเขาฆ่าแล้ววางแผนให้ไปให้ถูกเขาฆ่ า, าในที่สุดองค์คุริมานก็ไม่ถูกใครฆ่าได้ผลที่สุดเป็นการหลอกจนได้ไปพบกับ พ, บพระพุทธเจา้าหลอกไปมันก็หลอกไม่ได้ เสียเปรียบอาจารย์ก็ไม่ น, ะนี่ถ้าพวกเราที่ไหนหลอกก็อย่าไปเสียเปรียบเป็นเดือนเป็นปีพี่สูตรตูเรามาเลยกัด ซ, ซึบกัดซับไขพูดคอยพูดได้เย็นอยู่เนี่ยไม่ได้ไปอะไรใช่เครื่องขยายอย่างดีอัดเทพไวอย่างดีไม่ีหลักฐานมีหลักฐา น, ก, ฐานก็เขียนไว้พูดพันธุ์ที่อาจารย์ทุ่มเขียนไว้พูดพันที่เท่านั้ น, าา เ, น, ด น, เ, น, นเดือนนั้นปีนั้นพศนั้น เอพิสูจน์ลงไปเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรผู้มีปัญญาผู้มีสติกลับฟังรู้ทำรู้ภาคปฏิบั ต, รเรรตบนะเิเรารู้สึกตัวกับกายนะมันเราหลอกไหมเวลามันหลงเรากรู้สึกตัวหลอกไหมทําอะไรตรงนี้ได้โอ้มันหลงเราก็รู้สึกตัวเนี่ยว่าทุกข์เราก็รู้สึกตัวนะมันโกรธเราก็รู้สึกตัวมันโล่ดมันหนาวเรากรู้สึกตัวอู้ผมรู้สึกตัวเป็นตัวฉเฉลยทั้งหมดเลยเอได้แล้ได้หลักแล้ววนะัน ไปเถะเพื่อนสมุขทุกข์ไม่ใช่เกิดกับเอ็นอันดื่นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราน่ยแต่ก่อนความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจากคนอื่นอาศัยให้คนอื่นอาศัยคนอื่นเขาทําให้เป็นทุกข์กว่าทุกข์ทําให้เป็นสุขก็สุขหมดนี่เสร็จเลยสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราเห็นแจ้งรู้จริงนะบางก็แก้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นจากเราจะไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้ เขาจงยาด่าเราเขาจงสนเสริญเราเขาจงขันเราอันนั้นเขาจงลักเราไม่สำเร็จเรามารักตัวเร า, เรามาแย้ตัวเราโอ้โลกนี้ก็เหยียบมันแหลกไปเลยถ้าเห็นว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วนะไม่เป็นไรน่ากลัวลุยเลยนะเราสอนอย่างนี้การสอนธรรมเรียกว่ากรรมคือการกระทํา ทำลงไปที่กายทำลงไปที่วาจาทำลงไปที่ดิที่จิตที่ใจแต่เป็นบุญวาสนาก็แต่งลงไปที่กายเป็นกายสุจริตแต่งลงไปที่วาจาวาจาสุดจริตแก่งลงไปที่กิตใจมโนสุดจริตถูกต้องแต่งได้วาดเขียนลงไปมีบุญวาสนาบาเมฆก็สร้างลงไปอดทนลงไปกรินเสถีลงไปไม่เมตตาลงไปไม่เพิ่มอดทนลงไปไม่ศิลลงไป มีสมาธิลงไปมีปัญญาลงไปปัญญาน่อยๆอมันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เป็นปัญญาแล้วขณะที่ใส่ใจสร้างสเ ต, เติอยู่นี่มันก็เป็นสมาธิแล้วก็มีศินแล้วเราสร้างปรมีนะเนี่ยไม่ใช่เราทำมันอื่นสร้างบุญนะเนี่ยเรามาปฏิบัติสร้างรักษาศินนะเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่อย่างอื่นนะพี่โสตว์เนาะ